ยา <Yeah>. เรื่องยอมไม่เป็นเย็นไม่ได้ <L an> ยังมีผัวเมียคู่หนึ่งยึดมั่นในทิฏฐิที่ว่า การยอมเสียเปรียบแก่คู่สมรสจะทำให้เป็นผู้เสียหายมากเกรงจะตกเป็นเบี้ยล่างของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ที่ไม่ยอมแพ้แก่กันแม้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆสองคนนี้เขายึดถือคติงมงายของโบราณตั้งแต่ตอนแต่งงานแล้วว่าเวลาวางมือรับพรรับน้ำสังถ้าใครวางไว้ข้างล่างจะเป็นผู้มีอำนาจน้อย จะถูกอีกฝ่ายข่มรัศมีจึงวันนั้นวันแต่งงานต่างคนต่างก็เกี่ยงกันที่จะเอามือวางไว้ข้างบนทำให้เหตุการณ์ตึงเครียดอยู่นานจึงตกลงว่าเอามือข้างหนึ่งบนข้างหนึ่งล่างให้ได้อยู่บนกันทั้งสองคนล่างกันทั้งสองคนเมื่อแต่งงานกันแล้ว ก็ยังชอบเถียงกันอยู่ด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆเสมอมาจึงแทนที่จะเป็นคู่สมรสซึ่งคําว่าสมรสแปลว่ามีรถร่วมกันเสมอกันคือสุขทุกข์ด้วยกันกลับเป็นคู่แข่งกันเนื่องจากจ้องแต่จะเอาแพ้เอาชนะกันคืนหนึ่งตอนหัวค่ำเมื่อทั้งสองขึ้นเตียงนอนแล้วก็ฉุกคิดได้ว่าลืมปิดประตู พัวจึงบอกให้เมียไปปิดเรื่องอะไรยะฉันไม่ใช่คนใช้นี่เมียเถียงไปสิพี่นั่นแหละไปปิดฮืฉันก็ไม่ใช่คนใช้เช่นกันพัวไม่ยอมเถียงกันไปเถียงกันมาด้วยเรื่องเท่านี้ทั้งๆ ท, ง ท, งที่ประตูก็อยู่ไม่ไกลแค่ปลายเท้าที่นอนนั่นเองทั้งนี้เพราะทั้งสองคน ไม่ได้กลัวว่าเป็นงานหนักเป็นแต่มีทิฐิว่าการที่เป็นผู้รับใช้นั้นเป็นเรื่องเสียหายเป็นการเสียเปรียบที่ร้ายแรงยอมไม่ได้ดังนั้นเมื่อไม่ตกลงกันแล้วเที่ยงกันจนดึกดื่นเมียพูดขึ้นว่าเอาล่ะเลิกพูดกันเสียทีต่อไปนี้ไม่ต้องพูดกันอีกแล้ว ถ้าใครพูดก่อนคนนั้นน่ะแพ้ด้วยเงื่อนไขประสาคนบ้าทิฏฐิเช่นนี้ทำให้ทั้งสองคนนอนหันหลังให้แก่กันไม่ยอมพูดยอมจากันเลยคืนนั้นมีหมาตัวหนึ่งเห็นประตูเปิดอยู่จึงเดินย่องเข้ามาผัวเห็นครันจะออกปากจุ๊จุไล่ก็กลัวจะแพ้เมีย และเมียครั้นจะออกปากไล่ก็กลัวจะแพ้ผัวอีกเช่นกันต่างคนจึงต่างนอนนิ่งปล่อยให้หมากินข้าวและปลาในครัวจนเกลี้ยงสรุปแล้วตอนนี้หมาเป็นผู้ได้เปรียบพอหมาลงไปได้สักครู่ก็มีขโมยย่องขึ้นมาบนบ้านผัวเห็นก็ไม่ยอมลุก ไม่ยอมพูดจาเพราะเกรงจะเป็นฝ่ายแพ้เมียฝ่ายเมียไม่ยอมพูดจาเพราะเกรงจะแพ้ผวัวขโมยเลยขนของเอาไปหมดบ้านตอนนี้ขโมยได้เปรียบจนกระทั่งรุ่งเช้าเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่มีใครพูดว่าใรเมียก่อไฟหุงข้าวไปซื้อข้าวสาร ก็ไม่พูดบอกว่าต้องการเท่าไรแต่เอามือชี้บอกคนขายแล้วก็ไปเที่ยวเก็บผักตามรั้วบ้านเพื่อนบ้านเห็นทักทายก็ไม่ยอมพูดด้วยทำเอาเป็นที่แปลกใจแก่คนทั่วไปฝ่ายผัว ก, ก็เช่นเดียวกันนั่งนิ่งเป็นบื้ออยู่บนชาญบ้านเสียดายของที่ถูกขโมยก็เสียดายแต่พูดไม่ออก เพื่อนบ้านผ่านมาก็ถามว่าเมื่อคืนหมาเห่าขโมยไม่ใช่หรือก็ไม่ตอบจึงยิ่งทาให้เพื่อนบ้านสงสัยกันใหญ่เออถ้ามันจะผีเข้าหรือเป็นอะไรสักอย่างแน่เพราะใครพูดอยู่ทุกวันนี่นาะวันนี้มันเป็นอะไรเราลองไปเอามีดโกนมาโกนผมมันให้เป็นรูปกากบาท ด, ดูทีสิเพื่อผีเข้ามันจะได้กลัวและออกไปเสีย ดังนั้นเพื่อนบ้านผู้มีนิสัยสนุกแกมทะลึ่งก็พากันโกนผมเป็นรูปตีนกาแล้วพากันหนีไปผู้เป็นผัวก็ไม่พูดครั้นเมียถือผักเดินกลับมาเห็นผัวมีหัวทรงพิสดารเช่นนั้นจึงเผลอร้องพร้อมกับชี้มือไปที่ผัวว่าเอ๊ะนั่นนั่นแกพูดก่อน แกแพ้ขาดแล้วแกแพ้ขาดแล้วผัวได้ทีร้องลั่นโลดเต้นด้วยความลำพองเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเราอยู่ด้วยกันถ้าไม่รู้จากการประนีประนอมยอมเสียเปรียบให้อภัยกันและกันต่างคนต่างดื้อถือร้านยอมไม่ได้แข่งแพ้ชนะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง แม้จะอยู่ใกล้ชิดกันก็เหมือนมีกำแพงนรกมาขวางความสุขและความไว้วางใจซึ่งกันและกันดังโคลงที่ว่ารักกันอยู่ขอบฟ้าเขาเขียวเสมือนอยู่หอแห่งเดียวร่วมห้องชังกันบ่แลเหลียวตาต่อกันนาเหมือนขอบฟ้ามาป้องป่าไม้มาบางัง